ไม่ใช่มีโรคเฉพาะว่าไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวนะหรือไม่ใช่มีโรคเพราะว่าไม่ได้ให้ทานโรคในบางที่มันรุนแรงโรคบางอย่างนี่แค่ทาเนี่ยก็หายนะยาเนี่ยบดเมื่อทาก็หายโรคบางอย่างทาไม่หายต้องกินโรคบางอย่างทั้งทาทั้งกินแล้วยังไม่หายมันก็มีการผ่าตัดมันถึงจะหายขาดอย่างทุกบางอย่างเนี่ยทุกที่เกิดจากกิเลสเนี่ย ให้ฐานรักษาสิ่ยังไม่เพียงพอต้องมีการภาวนาภาวนาเพือจะตัดรากถอนโคนของความทุกข์การภาวนาคือการเจริญสตินี่แหละภาวนาแปลว่าทําให้เจริญทําอะไรให้เจริญน่ะทําจิตทำใจให้เจริญให้มีสติมากๆเท่านี้สติมันเจริญที่มันเจริญ น, นการเจริญสตินเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติที่แก้ปัญหาเรืสารพัดโรค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 ตัวตนเกิดจากความคิดนะตัวตนเลยเกิดจากความคิดความคิดมั่นก็มาจากความคิดทั้งนั้นแหละแล้วเราก็ขาดสติแล้วก็ไปเชื่อความคิดปรุงแต่งแปลความคิดบาทีรู้นะโอ้นี่เราคิดแล้วนี่บาทียิ่งรู้ยิ่งคิดออกจากความคิดไม่ได้คิดทีออกจากความคิดออกมาก็คิดอีกอะคิดตอนคิดดับมันคิดเลยนะแล้วคิดครั้งแรกนี่ไม่พอใจมันไม่น่าคิดเลยใครสอนคิดออกจากความคิดอันนี้ทุ่งหนักเขาอี เราคิดออกไม่ได้เนี่โหดเลิอกลางทุกทุกกว่าทุกที่ตุกออกไม่ได้ก็ทุกมากลแล้วต้คนรู้ว่าคิดใช่รู้คิดเนี่ยมันไม่ออกจากความคิดแบบคือรู้เข้าไปอยู่ในความคิดมันไม่ได้เห็นคิดอรู้กับเห็นนี่มันต่างกัตนตรงนี้รู้ว่าเราคิดมันก็อย่าเป็นผู้คิดอยู่ถ้าเห็นคิดอะเหมือนท่านเห็นผมเป็นคนพิการท่านก็ไม่ได้เป็นคนพิการอย่างผมแยกกันเลยแยกจิตออกจากอารมณ์ แยกสติแยกความคิดออกจากจิตนี่คือการเห็นถ้าการรู้นี่มันเข้าไปอยู่พ้าเห็นนี่มันจะเป็นผู้ดูและปัญหาเนี่ยปัญหาที่แล้วก็คือว่าเราขาดสติแล้วก็หลงไปกับความคิดแล้วพอคิดหนากเข้านี่แม้จะคิดดีก็าตามนะเริ่มต้นทํำท้านจะดีนะแต่ลองดูเถอะลองเสร็จไปสักหน่อยหนึ่งโอทุกมาแล้วความทุกข์จะมาความคิดทันทีเลย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 เหลียวซ้ายแลขวาจะจับจะช่วยให้มีส ต, ติตามรู้ในอ e ียาบทย่อยอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตจำวันท่านก็มีรูปแบบในการเคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะสี่ี่จังหวะอย่างที่เราเคยปฏิบัติกันปฏิบัติจงกลมมือก็ได้เคลื่อนไหวมืออย่างมีสติ ต, ตามรู้คลิกมือรู้สึกยกรู้สึกเอามือเข้าก็รู้สึก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 โอ้หลงไปยาวเลยนะหลงไม่นานเลยไม่ทํายังไงโอ้ดีแล้วที่เรารู้ว่ามันหลงดีแล้กดีแล้ ว, ลวเรารู้ว่ามันฟุง้งดีแลกดีแล้ ว, ลวถูกแล้วนะอันนี้น่ายเห็นใจบอแล้วคุณทํายังไงนะก็เจริญสติไปเรื่อยเจริญยังไงก็ดูม้างดูจิตดูอะไรกัน <c oughs> บอได้ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วดูจิตทํำไมถึงฟุ้งอะ่ะบอกอันนี้ไม่ใช่ดูจิตนะเขาเรียกว่าคิดว่าเราดู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 มันจะทิ้งกายแล้วกลับไปอยู่กับอารมณ์ที่มันเรียกว่ากรร ม, มนิมิตคตินิมิตโอจะเกิดเป็นอะไรดีเลือกหาพบชาติแนละ้วถ้าขาดสตินี่มันจะเลือกลงยี่ช่องไหนนะทันกนทีมีสติไว้เนะี่ยถึงเวลาในปล่อยวางกายได้ง่ายๆตอนนี้เพิ่งปล่อยนะดูแลเขาไว้ก่อนฟังแล้วอย่ารีบปล่อยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนนี้ผมก็นับสมๆยังดูก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งกายเป็นไหนดูมันก่อนอาตายมันข้าฟังปฏิพาณก่อนถึงเวลาแล้วค่อยปล่อยมัน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 มันจะเป็นปัจจุบันมากรูปนามจะเกิดขึ้นในตรงที่กลับมารู้กายนี่แหละอันนี้คือประโยชน์รู้ไปก่อนพวกนี้ก็เคยนะเคยปฏิบัติเมื่อเริ่มต้นศึกษาธรรมะใหม่ๆอยากจะปฏิบัติทำอยากจ ะ, จะเจริญสติอ่านหนังสือามามากอา่านมันก็ดับทุกข์ไม่ได้ทักทีถ้าการอาร่านหนังสือมากทําให้เราพ้นทุกข์ได้นี่โอ๊ยผมเป็นอลหาหันลำนานแล้ว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 ตื่นมาก็โอ้อยังพิการเหมือนเดิมทุกหนักกว่าเดิมโอ้ธรรมะนี่มีไว้ให้เราหลับได้ไงเราจะดับทุกได้ทำไมตอนเราหลับได้ไงไอสักวันท่านมันไม่หลับจะทำํำยังไงมันก็คิดอ่าลองลืมตาดูลืมตานอนนิ่งๆลืมตามันลืมข้างนอกแต่มันก็เผลอข้างในมากข้างนอกเนี่ดูสงบแต่ข้างในเนี่โอ้โหวุ่นวายมันไม่เห็นน้าไหลนิ่งนะ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 นอนเตียนตั้งท่าจะดูจิตในเรวันนี้นะอ่านหนังสือนว่าเทียนหลักของกรรมฐ า, านวางไว้ข้างหมอนหลักวางข้างเดี๋ยนะวงงจะดูจิตเราเริ่มดูจิตตั้งแต่หัวค่าตีสี่ยังดูไม่จบเลยเรื่องจิตไม่จบเรื่องจิตโอ้จิตนี่มันดูแล้วไม่จบไงถ้ามีผลคือมึนศีรษะปวดหัวฟุ้งซ่านท้อแท้มันคงจะทําไม่ได้หรอกดูจิตยังดูไม่เป็น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 มันต้องหาวิธีใหม่ต้องหาวิธีปฏิบัติของเราใหม่ก็เลยโชคดีที่ได้หลวงพ่อําเขียนนั่นก็สอนวิธีการเจริญสติเนี่ยพระมาปโปรดเลยกัลยาณมิตรการปฏิบัติธรรมมีสำคัญนะได้ที่สงบสะอาดวิเวกอาหารครบพรอบ้รอมแต่ถ้าขาดกัลยาณมิตรครูบาจารย์แล้วก็มันเียวกาาที่จะผิดทางไนดะ้บางทีรู้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 รู้จักตายรู้กายมันกลับไปเห็นจิตได้แยกรูปแยกนามจิตมันตื่นนะพอจริตมากๆเนี่ยความสตัวมากขึ้นความหลงค่อยๆลดลงไปเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปไล่ความหลงแค่สร้างเพวาะที่รู้ขึ้นมามากๆหลงมันก็หายไปเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์กของรูปทุกขเว ท, ท, ท, ทนาที่เกิดจากรูปเห็นทุกขของนามเห็นทุกขเวทนาที่เกิดจากรูป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 ไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ไปเป็นถ้าเราเห็นความคิดโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้คิดจิตแล้วก็จะผ่อนคลายถ้าเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเราไม่ได้เป็นกายใจแล้วก็เบากายนี้มันหนักนะยืนเดินไม่ได้นี่หนักมากเลยเพราะเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเนี่ยคิดมันก็เบาเบาแบบรู้ทำไปตรรมการคนขี้เกียจคิดเพราะควาคิดมันนำเหตุความตัวมันขี้เกียจคิดขี้เกียจไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่ ขีเกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจรู้รู้ทุกครั้งมันออกจากความคิดถ้าไม่อยากจะคิดเราก็ขยันรู้อ้ได้หละ่ะทุกก็คลายไอ้ความพิการเป็นเรื่องเล็กไอ้ทิฐิการเดินไม่ได้เนี่ยมันก็มีค่าระคัสิวหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองมีค่าเท่ากันมันคือเรื่องของกายยกให้กายไปลาออกจากความพิการมาอยู่กับความรู้สึกตัวทุกก็ลดเรื่อยๆ เ, เห็นไหมจากการที่เหตุนะ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 บางทีมันมั่วนะะไอ้นั่นก็รู้ได้ไอ้นี่ก็รู้ได้ไม่ไจะรู้อะไรดีมั่วอะดูกายก่อนอ่ะดูกายตั้งหลักเดี๋ยวค่อยไปเห็นแนวคิดในกายนี่มีหลายอย่างในกายเนี่ยมีทั้งเวทนามีทั้งความคิดมีทั้งความง่วงมีทั้งความเบื่อมีทั้งความใจมีทั้งนั้นมีให้เราดูทั้งนั้นหลวงพ่อกำกเขียนบอกว่ า, วามันมาเข้าแถวให้เราดูเลยเกิดตรงไหนก็รู้ได้ไนเรารู้เลยในชวิตปจำวันเนี่ย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 มันก็หลับแบบไม่อยากตื่นเนี่ยมารู้กายเคลื่อนไหวไหมมันออกจากอารมณ์ได้เมื่อเรามารู้กายอย่างที่อาจารย์สอนยกมือนั่นก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ยกมืออย่างเดียวนะเราสามารถที่จะถูนิ้วมือเล่นอย่างผมนี่เมื่อก่อนยกมือไม่ไหวทำไงเวลาเราเจรติก็มาดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจมีการเคลื่อนไหวไหมมันเคลื่อนไหวเคลื่อนค ข, ข้ากับออะ รู้ตอนที่มันเคลื่อนที่น้องกระพริบตาเล่นอ<ม>ยบทเบาๆเรามีการเคลื่อนไหวได้น้อยเนี่ยขาก็เคลื่อนไหวไม่ได้มือเมื่อก่อนก็ไม่แข็งแรงนี่มือก็กระดิกไม่ได้ก็นอนกระพริบตาเล่น<ม>รู้สึกตัวกับแรงกระพริบตามันก็เบานี่ก็ยักยิ้ว<ม>อนแรกมาสองข้างสองข้างเฟืองพลังงานเอาทีละข้างดีกว่าสติได้สอด้านเลยนะโอ้หอนเล่นมันก็ตลกดีนะมันก็ไม่ง่วงก็ทําอะไรตลกดี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 และยิงอย่างย่ดิทําเนี่ยเคลื่อนไหวได้มากกว่าผมบิดต้องออกจากอารมณ์ให้ได้อย่าน้อยเครียดตรงนี้เอาลุกไปเปิดหน้าต่างมันก็หายแล้วเครียดที่หนึ่งเอาุกไปดื่มน้ําเข้าห้องน้ำแบบไม่มีเหตุผลก็ได้เดี๋ยวไปเปิดตู้เย็นไว้ก่อนไม่รู้ว่าไม่ได้กินแล้วเปิดไว้ก่อนแล้วก็ปิดต้องตามรู้เลยนะไม่ใช่ว่าเครียดตรงนี้เกิดไปเปิดตรงนู้นแต่ก็ไอ้ความเครียดอยู่ยังส่งใจไปเครียดเหมือนเดิมสติตามรู้ไปการเดินเข้าห้องน้ําอย่างมีสติ ก, การเดินจงกรมอย่างมีสตินี่มันไม่ต่างกันหรอกเอดีเข้าหน้ามีสติดีนะมันต้องรีบไปที่เดินจงกรมมันก็เพลินทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตถ้าเรามีสติตามรู้เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องไปวัดทุกครั้งที่รู้สึกตัวว่าการมันเคลื่อนไหวรู้ว่าใจมันคิดนี่เป็นการปฏิบททัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดเลยเป็นการปฏิบัตินะแต่ผลยังไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกทำเหตุตรงนี้ก่อน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 ถ้าเรามีสติมันคิดอยากจะเศรษไม่ทําตามมีสติรู้ในความอยากความอยากมันก็หายมันตัดตรงที่ความอยากด้วยสติเลยแล้วสิ่งเศรษฐีทุกอย่างเนี่ยมันหลุดตรง น, นัหลุดเพราะสติรู้ทันอภัยวุตตต่างเนี่ยมันเศรสติดังนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตเรามันมีมากกว่านี้อีกลองเอาไปใช้ดูหลายคนก็ได้ผลบิ้งบาม่าผลที่เป็นไมเกรนคิดมากมันเครียด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 แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้เราต้องมั่นใจแล้วคนที่ทําได้แล้วมีหลวงพ่อเทียนก็ทํามาแล้วก็ได้ผลและผมก็ได้พบกับญาตที่ทำที่ปฏิบัติแบบเนี้ได้ผลทั้งหลายคนกลติบแบบเครื่อนไหวแบบเนี้แก้ปัญหาชีวิตได้เยอะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ก็มีมากที่สําคัญสุดคือเราก็ทําได้มั่นใจเราก็ทำได้ถ้าเรายังมีกายเคลื่อนไหว แล้วมีสติรู้ได้อยู่แล้วก็มันได้ทางนั้นแหละขนาดกายผมเคลื่อนไหวได้็หมดจงทำได้เลยต้องมั่นใจนะมาเนี้ยมาก็ลำบากมาถึงก็ไม่ได้พักอุตส่าห์มาให้กำลังใจเนี่ยถ้าคนที่มีร่างกายเป็นปกติไม่เห็นใจแล้วก็มันก็ใจดาเกินไปแล้วเห็นใจคือลองเอาไปปฏิบัติดูอย่าพึ่งเชื่อแต่พิ่งปฏิเสธนะลองพิจารณาแล้วลองทาดู ถ้ามีปัญหายัางไงก็ยินดีที่จะเป็นการยานมิตรแล้วเขอยากถามอะไรไหมพอดีครับพอดีอยากจะถามว่าบางทีเป็นคนฝึกสติครับก็คือเกี่ยวกับดูจิตนี่แหละแต่ว่ามันจะอยู่ในอารมณ์สุขแบบนานๆนะครับมันจะจมแช่มันจะอยู่ตรงนั้นอะแล้วบางทีก็จะไม่รู้ว่าจะออกมายัางไงครับก็คือจะอยู่ในอารมณ์สุขอารมณ์ปิติอะไรอะจะอยู่มัน เงี้ยตลอดเลยบางทีแทบทั้งวันก็ะจะไม่เคยได้มารู้สติก็ะจะรู้ได้น้อยก็คือมันจะไม่เกิดปัญญาครับก็ดีแล้วนะปฏิบัติธรรมมันต้องมีปิติอย่างนี้แหละเป็นทางผ่านมันจะได้ไม่แห้งแล้งถูกหรืละจะมีต้องมีปิติปิติเกิดจากอะไรเกิดจากใจที่มันสงบใช่ไหมพอ ม, มันสงบแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดปิติเกิดสุขเรารู้ไหมว่ามันเป็นปิติเป็นสุขรู้หรือเข้าไปอยู่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่จิต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 รู้แบบเป็นกลางกลางสักแต่ว่ารู้แบบไม่ต้องไปรู้อะไรไม่ต้องไปเอาความหมายแต่ว่ า, วาเออรู้ก็พอและเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่พัฒนาสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่พัฒนากายมันแข็งแรงหรือให้เดินสวยหรือเห็นหรู้เห็นนี้ไม่ใช่พัฒนาว่าผู้รู้เนี่ยมันเป็นกลางไหมถ้าเป็กลางนี่ก็ใช้ได้แล้วสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยไม่สําคัญหรอกก็มันผ่านเลยไปทำไมมันจะเกิดขึ้นเพราะเราให้ความสําคัญมันคนที่เล่นหวยเนี่ย จระสติเนี่ยหูมันจะมีหวยมาในนิมิตหลว่าเทียนเน็ตจระสติเน็ตโอ้มีแรกหวยขึ้นมาถ้าเราเท้าชี้เลยอันนั้นไม่จริงส้มจริงกูจริงกว่าอันนี้จริงกว่า น, นั้นไม่จริงมันก็หายไปเลยมะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้ น, น่จริญสติเน่ะอันนั้นคือสิ่งที่หมาหเห็นอาจจะไม่จริงก็ได้กรรมเก่าดีต่างๆก็มาจากนี้ทั้งนั้นมาจากความคิดต่างๆที่เราเคยสะสมมาสติมันก็รู้ได้ก็เราจะเชื่อตัวไหนอ่ะ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 ไอ้ที่ดูแลมีปัญหาเพราะว่าเราไปกับความคิดตกับอารมณ์มากมายมันก็เลยมีปัญหาเราเองก็ยังไม่แน่ ใ, นใจเราไปดูคนอื่นบางทีเราก็ไม่แน่ใจเรารู้จักยอมรับแล้วก็อย่างน้อยเวลาโกรธก็ต้องรู้บ้างอ๋อนี้เราโกรธล้วก็ยังดีนะเก็บเกี่ยอารมณ์ได้เป็นบางโอกาสก็ยังดีดีกว่าหลงตลอดเวลาค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณครับค่ะ <laughs> ขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่า อาจารย ha, ์ใช้เวลานานสักเท่าไหร่คะในการฝึกจนกระทั de it ่งเกิดความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกตัวจริงๆอะค่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนกับการจริญลติที่บ้านไปไหนไม่ได้นะมีน้ำท่วมรอบบ้านน้ำท่วมนะปีสามนิดเอาละมันไปไม่ได้กว่าเวลา้ออยู่ที่บ้านแล้วก็นอนจริญลติไปเนี่ยนอนพลิกมือเีย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 ถ้าเป็นถึงพระครูนะถ้านอุตสาหเขียนจดหมายตอบเรานอนพลิกมือเป็นภาพท่านหันหลังให้นอนพลิกมือท่านก็หันท่านก็ค่อยหันมาเราก็เราไม่เคยหน้าเป็นข้อคมเขียนเลยหันมาหันมาท่านชี้นหน้าให้รู้สึกตัวสะดุ้งเพือกโอ้โหนี่เราหลงมาตั้งนานนะไม่น้องอาทิตย์แรกนี่หลงเยอะนลอาทิตย์ต่องในเริ่มเริ่มตั้งใจ เอาละเราจะตั้งใจทำโอ้ตั้งใจเพ่งไปในมือมันไม่อยากคิดใดละอะไรก็ไม่เอาเอาทุกอย่าง เ, าเลิกทุกอย่างหันมาพลิกมือเจตนารู้เพง่งดูมันดีนะสงบเงียบแต่มันเครียดมากเครียดไม่ก็อยากจะคุยใครไม่ก็อยากจะมองหน้าใครกลัวธรรมะจะหลุดแล้วเพ่งแล้วมันก็เครียดคือมันเข้าไปเลยอังแรกคือหลงไอ้สองอันเพง่งมันเริ่มหย่อนข้างตึงข้างเอมันก็ไม่ถูกนะ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 ลืมเพราะคนพิการเขาไม่ให้บวชอ๋อมันความคิดอยากคนทุกมันรุนแรงมากนี่คือความคิดซึ่งไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วมาจากไหนอ่ะก็ไม่ได้สแสวงหาแล้วก็ทําไปเรื่อยมันออกไหมเรารู้เองเห็นความคิดออกมาจากจิตผู้รู้โอ้นี่มันคือความคิดอยากไปกองนี่คือความคิดออกมาจากทุกขเวทนาของกายแล้วก็ออกมาจากความอยากของเราอยากบรรลุธรรมเนี่ยดูดีๆเถอะ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 อยบุหรี่เนี่ยการไม่ติดหรอกแต่กายอ้าไว้ในบุหรี่มันไม่ไม่อยู่หรอกถ้าไม่จับก็ไม่ได้สูกอะไที่ติดเพราะความคิดมันติดมันเริ่มจากความคิดที่เกิดความอยากก็เลยทําให้กายต้องไปทำไํำหลายๆอย่างการไม่ชอบหรอกเกิดมามันไม่เอาบุหรี่คาบมาด้วยแต่ตัณหามันส่งมาให้แล้วมันเริ่มต้นที่จิตดังนั้นสาคัญที่จิตเริ่มจากจิตการจิตสติเนี่ยเป็นการฝึกที่จะรู้เท่าทันจิต ใ, ใจโดยตรงเลย ไม่มีอาวุธใดที่จะรู้เท่าทันจิตใจได้กับสตินั้นถ้าปลกสติบ้างๆเนะี่ยสิ่งนี้ก็จะหลุดล่วงไปแต่สำคัญที่ว่าเขาอยากจะออกจากอารมณ์แบบนั้นไหมอยากจะออกจากสิ่งที่เาเสพติดไหมอยากจะออกจากเกมไหมอยากสักสิบปร์เ็น์หรือไม่อยากสักเก้าสิบบางทีอยากนะแต่ว่าไม่พยายามทํามันก็ไม่หลุดออกมาแล้วมันต้องมีความพอใจที่จะออกแล้วก็มีความเพียรที่จะออก แล้วต้องมีใจจดจ่อที่จออกจากสิ่งนั้นแล้วต้องไข้ควรให้เป็นอิธิบาทสีไปแล้วก็มันลุดออกจากทุกอย่างอิธิบาทสีไม่ครบพออยากปั๊บไม่เพียงพอะไม่เพียงมันก็ไม่มีการจดจอ่อแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรมันก็ได้แค่อยากความอยากนะั้นไม่ยากแล้วขอบพระคุณมากค่ะสิลิเตอร์อาจารยค์คะขอรื้อถามต่อจากคนเมื่อกี้นิดนะคะว่าถ้า จะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้คนที่ชอบเสพมากลายเป็นไม่เสพเนี่ยคือว่าคนที่ติดอะไรจิตเกณฑติดกันพนนันเนี่ยคะ่ะกระบะเขาจะเรียนสติเนี่ยแต่เขาไม่มีความรักหรือความเพียรที่อยากจะออกจากตรงนั้นเนี่ยมันก็ยากมากจริงๆเลยเราจะบอกทงโทษยังไง ก, ก็ไม่สนน่แต่เราก็อยากจะช่วยค่ะท่านอาจารย์ว่จะช่วยยังไงคะก็มีครูก็บอกว่าใช้เด็กปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเด็กพูถึงธรรมะมันก็หลับล่วงหน้าแล้วเราต้องมีอุบาย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 ถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการรู้แล้วก็ใช้ได้แต่ข อ, อให้ใช้เป็นกิจกรรมที่ต้องมีความคิดมากๆถ้ามีความคิดมากๆเนี่ยสติมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างเวลาเราง่วงนอนเนี่ยง่วงนอนนะวิธีแก้ง่วงนอนถ้ามันวิธีไงไม่หายจิบไปกวาดกวาดพื้นผู้หญิงเนชอบทํางานทำพลนกับงานทั้งวันมันก็หายง่วงมันเบื่อมันเซ็งมันเครียดไปทําสิ่งที่เราชอบคนชอบตนไม้ก็ไปปลูกต้นไม้อย่างมีสติอยู่กัน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 แต่ถ้าเราจิตไปแช่กับความปวดเนี่ยเราจะเห็นจิตเราเข้าไปปวดกับมันด้วยมันจะเห็นความปวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราถอนจิตออกมาเป็นผู้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นขึ้นลงๆงของเขาสวิงของเขาไปเรื่อยๆแต่ความปวดมันก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งมันจะอยู่ออกนอก็ ก็ต้องดูให้พูดดูมันก็ไปแน่นอนมันต้องละต้องจองยากดีละดีละปฏิบัติดีละ